ขนาดนั้นม้าที่เราปีคีคือ ม, ม้าของบังทองม้าที่เราปีคีและทหารทั้งปวนคนงอรปีนป่นะก็อ่อนกําลังลงแย่แล้วจะเข้าต่อสู้ใทฐานเตียวยินมอลันเราปุ๋ยก็อนนี้บาทก่ลบรอโทรถอยเมืไปถึงด่านป่วยสีกวนญวนญเต็งตับเหล่าฮองขวนเป็นลูกเลี้ยงขวนอูเหล่าฮองหลูกเลีเหล่าปี ควรเต็ง เ, เหล่าฮองเนี่ยซึ่งเหาปีให้อยู่รักษาด่านป่วยศีกวนเบรรู้ว่าขณะนี้เหลาปีถอยมาแล้วนี่ก็ขุนหมันสามหามื่นคนยกมาช่วยเข้าปีทับงอหลังเล่ากุยเปียวหญิมแตแล้วก็ติดตามฆ่าปันทหารสาชวนล้มปายมากมายอีกเอาเป็นการสู้รบกันเดี๋ยวได้ทีเดี๋ยวเสียทีเป็นอยู่อย่างนี้บัดนี้ควรเต็ง เ, เหล่าฮอง ใส่เตระเก็บด้วยเครื่องฟ้ากล้ามุฒิมาพาะเป็นอันมากแล้วก็เชิญเหล่าตีเข้าไปในด่านเตยสิกข <L un> ่วนเรื่องราวของสามพกในตอนนี้ก้าวเข้ามาสู่ตอนปลายของเรื่องนะครับก้าวเข้ามาสู่ตอนปลายแล้วบันทอง สิ้นชีวิตไปแล้วนะครับตามเรื่องของเขานี่ก็เรื่องของบางพองนี่เป็นที่มาวิพากวิจารกันมากอยู่แต่อย่าเอาไปทุ่มเถียงกันจนเกิดตั้งตีกันวารางคานแตกกะนนะครับจะเถียงกันอย่งางไรในที่สุดก็ต้องยกแหกเวรกรรมไปก็แล้วกันดูจะเป็นการปัดปัญหาได้ฟัดี ของเบ่มอบเก่งจิ๋วให้กับกวนอูเอาก็มีอะไรที่มีตรตามภาษาหรือฉกหรือรานแต่มันก็เป็นอย่างนั้นมนาะเอาจะว่ายอย่างไรจะหมอบหมายบ้าเนเมืองให้แล้วกวนอู ก, ก็จะถ็งตายท่าเดียวแต่ความจริงมยายควาใครยกมากกว่าจะรบใคร ย, ยกมากกว่าจะรบข้าพเจ้าตายก่อนถึงจะเดินเมืองไปมันก็ถูกเหมือนการถูกยุคถูกเฉพาะที่กวนอู ไ่ครับแต่ที่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสี่ที่สำคัญเหนือกว่านั้นมันมีอยู่เอาระผมเบ่งให้คาถากำกับไว้แล้วว่ากันง่ายง่ายการตั้งมาเป็นไมตรีด้วยโจโฉมานานและรบไ้แลนวนมีผมเบ่งให้คาถาแกกวนอูไว้แล้วคาถาเรียกว่ายังกันเป็นผิวกแล้วกันแต่กวนอู จะรักษาเก่งจีวไว้ได้หรือไม่เพียงไรยอย่างไรเราก็รู้กันอยู่ละแต่ค่อยๆติดตามรายละเอียดไปนไะครับทีนี้เรื่องรามายุติตรงๆที่ของเบ่งสั่งจัดรับเทียวอีเจ๋อฮุยเป็นทัพ บ, บกปลายปาทัพ บ, บกเทียวจุลงยุนเป็น เรือปลายมีปลายทางทางบกทางเรือไปกันอย่างนั้นเรืองของเตียวหวีก็ไปประทะกับเงียนหนันที่เมืองปลาขุนะ่ะนะครับเป็นอย่างนี้เอามีการอืปราทาให้มารบราคาปันเรกันอยู่ความในตอนที่แล้วเนี่ยก็มายุติลงตรงที่อาคังฝ่ายเงียบหนันเนี่ยก็เป็นผู้เท่าทิดฟงพลังอีกผู้หนึ่งเอ่อ ดูจะคล้ายๆหองตรงอยู่แลหลนะครับเงี่ยนันเนียเน่ยโกรธมากเตียวหวยมาร้องด่าท้าทายนี่ไอเ่าเร่งออกมาคมัะปูจงดีนี่ก็เ <c oughs> จาะไปรบแต่ก็ได้ให้ดอวดมากล่าวห้ามชี้แจงถึงวิสัยเตียวหวยก็ว่าให้ฟังอ่ะว่ากันอย่างนั้นเถะบอกไม่ต้องไปรบเดี๋ยรอกอย่างเตียวหวยเนี่ย <c oughs> จะมีพลังแข็งแข็งประการใดอย่างไรนี่ก็ช่างเถอะไม่ต้องไปรบกับมัน โดยเฉพาะมีเตียวฮุยมาทางกลายทหารตรงอิดโรขัดสมตบิองอาหารและเตียวฮุยเป็นคนโมโหร้ายใจเร็วอเพียงแต่เรารักสามเมืองไว้มั่นคงเท่านี้เตียวฮุยทาอะไรไม่ได้ก็จะโกรธมากโกรธมากก็จะก่อเหตุว้ายให้ตัวเอง่ะจะทำโทษโดยตีทหารให้เดือดร้อนเจ็บปวดแล้วในสุดทหารก็จะต้องเบือนนายต่อตัวนายพักเช่นนี้อันนี้มันจริงทุกยุคทุกสมัยเลยน ะ, ะท่านตัวนายท่านหวาย ให้วดเขาชี้แจงให้ฟังแล้วก็บอกว่าปล่อยให้เตียววิยพังตัวเองซะก่อนแล้วจึงค่อยคิดเอาชายชนะบอกภายหวังก็จะได้รวยง่ายเงียบหนังผู้เท่าชาเมืองปากุนีิก็เห็นชอบด้วยเห็นจริงด้วยใครทหารรักษาหน้าที่เชิงเพลินไว้มัน่นคงละเอาเตียววิยจะได้เมืองปากุนี้อย่างไรล่ะ มณะนั้นเนี่ยเตียวหุยฉายาเจ้าจอมโทสะหน้าดำนี่ก็สั่งซ้าให้ฐานคนไปเรียกใครเปิดประตูเป็นเย็นหนักก็สั่งฐานเปิดประตูรับเอาตัวเจ้าฐานผูนั้นเข้าไปเจ้าทหารผู้นั้นทหารของเตียวหุยอ่ะก็เข้าไปบอกว่าบัดนี้เตียวหุยใช้ขบเจ้ามาบอกท่าน ถ้เปิดประตูเมืองรับแต่โดยดีถ้าขัดขืนวนิจานณิแม้วเตียวหินายขบเจ้านำทหารตีหักเข้ามาได้แล้วจะฆ่าเสียสึทั้งเมือง น, นี่เงียมงานไม่ฟังก็โกรธก็ด่าทีเดียวว่าไอหาชาญนิดได้ไม่อยากช้าต่อกูชนิคิดว่ากูจะกลัวหนึ่งหรือ หรกูเป็นผู้เฒ่ามีหรือจะแบกหน้าออกไปคขมัหมายหนึ่งกูจะขอยืนปากหนึ่งให้ออกไปบอกแกนายมึงเถอะว่ากูจะสู้ตายนี่ออกไปขมับเงี้ยนั้นโกรธมากทีเดียวว่ากล่าวทีแล้วก็สั่ให้ทหารของตนนะ่ะจักทูดของเตียวหวุยทเนี้ตัดปากตัดจมูกซะด้วยนี่ให้ตัดปากตัดจมูกทหารเตียวหวุยซะเลยแล้วก็ปล่อยตัวกลับไป เจ้าทหารผู้นี้ก็ย่ำแย่เวซี่ครั้นกลับมาถึงเตียวหุก็รอ้องไห้ปากก็ไม่มีจมูกก็ไม่มีแล้วบอกกับเตียวหุยนาม่้อยคำเงียบงันว่าทุกประการกะก็รายงานไปเตียวหุยได้ฟังนี่ก็โกรธเป็นกำลังคุมทหารประมาณสองร้อยขึ้นมาขับเข้ามาถึงเชิญกำแพงทหารของเงียบงันที่อยู่บน เชิงเพลินกำแพเมืองรักษาหน้าที่เชิงเพินนั้นก็มิได้ออกมาต่อสู้มีเฮตุอวดบอกไว้แล้วนี่ไม่ต้องไปสู้ปล่อยให้เจ้าเตียวอิเตวินี่แข็งหนกักว่ามันทําลายตัวเองอะ่ะอแต่เท้าเนืองนั้นที่ไม่ออกมาต่อสู้แต่ก็ร้องด่าเตียวฮุยด้วยถ้อยคำหยาบชาเป็นอันมากทีเดียวเตียวฮุยโกรดยิ่งเหมือนดังเพลินเผาในหัวใจ แต่ขับมารุกเข้าไปก็ติดคูเมืองเข้าไปไม่ได้คุณก็ติดกำแพงเมืองว่เข้าไปไม่ได้ก็ได้แต่คำรามอยู่ในลำคอแล้วก็ขับม้าวนเวียนงุ่งหันโกรธแค้นเรื่องจนเย็นก็กลับค่ายก็ทําอะไรไม่ได้เมืองมันก็มีค่ายคูประตูรถเข็นแข็งนั่นหนาครั้นเช้าเดี๋ยวหวยก็ขุนหนาเข้าไปร้องดาอีกเมืองนั้นก็กกาทันยิงออกมา ถูกหมวกเปียวหวุยเรียวหโกรธขีดมือดา่าเลยว่าไอ้เท่าแม้กูได้ตัวหนึ่งจะฉีกเนื้อมึงเคี้ยวให้ฝาใจแล้วเปียวหวยก็ร้องด่าอยู่ที่นั่นอีกตั้งแต่เชา้าจนเย็นแล้วก็กลับมาสองวันแล้วทำอะไรไม่ได้ครั้รุ่งขึ้นเป็นวันคํารบสามเปียวหวุย คุ้มฐานกลับเข้าไปให้สงฐานไปร้องด่ารอบด้านเงียนหนังก็ไม่ได้ยกฐานออกมารบพูดเดี๋ยวหุยก็พาฐานขี่มา้าขึ้นไปบนเนินเขาแล้วก็มองดูลงไปในเมืองเห็นฐานทั้งพวงแต่งตัวใส่เกราะถืออาวุธกราาเตรียมพร้อมอยู่เดี๋ยวหุยค่อยฐานปัดลงมาแล้วก็ทําเป็นนอนหวังใหเงียนหนังเห็นว่าพวกตนเนี่อิดโรย แล้วก็จะได้เกิดความประมาทใจและจะได้เปิดประตูเมืองยกฐานออกมารบด้วยอะเดี๋ยวธะทำอุบายอย่างนี้แต่แต่ก็มิได้เห็นเมืองหนังยกออกมาเืองหนังก็ไม่ออกใหม่จนเยินก็กลับเข้าค่ายอีกสามวันแล้วมันลำบากยากอยู่ทีเดียวละคือทารบแต่คู่ต่อสู้มิได้ออกมารบด้วยเนี่ย เตียวหวยนงงียนง น, งนหนักทีเดียวก็คิดว่าเงียนงานนี่ทั้งอดกลั้นโทโสอยู่ได้นี่ออกมารบพรุ่งเชา้าเดี๋ยวหวยส่งกองด่าเขาไปอีกใครไปร้องด่าอีกทําอยู่เช่นั้นอีกสามวันคือทำมาแล้วสามวันด้วยตัวเองบัด น, นี้ตัวเองไม่เอาแล้วส่งทหารไปสถานไปร้องบาาอีกสามวันเงียนงานก็ไม่ได้ออกมารบ เตียวหก็แกล้งทำไพร่พลของตนนี่ให้เที่ยวเรี่ยายกันไปเก็บฟื้นบั่งให้ไปหาทานที่จะแยกเข่าเมืองบ้างอะไรบ้างคือปล่อยป ร, ระละเรียกว่าอย่างนั้นให้ข้าฝึกเห็นว่าตนปล่อยประละเลยฝ่ายเงีนนันเนี่ยก็คอยทีนี้อยู่เฮ็กอวดบอกไว้แล้วเนี่ยการต้องเป็นอย่างนี้เงีนหนันนี่เห็นหานเตียวหุยเรียรยร่ยัรกระจายไปอย่างนั้น ไม่ได้รู้เลยว่าเขาจะทำประการใดอย่างไรก็จึงแต่งทหารปลอมออกไปฟื้อเอา ก, กิจการเพื่อพวง ก, ก่อนครั้นเวลาเย็ยนทหารที่ส่งออกไปนั้นก็กลับมาแจ้งแกเตียวหุยทหารของเตียวหุยนี่กลับมาแจ้งของเตียวหุยคือทหารที่เตียวหุยส่งออกไปดูทางบ้างไปเก็บปืนบ้างทำอะไรบ้างเนี่ยก็มีหน่วยหนึ่ง เข้ามารายงานกับเตียวหุ่ว่าได้พบทางที่จะเข้าไปในเมืองปากกุแ่แล้วแต่เป็นทางน้อยอยู่ริมฟอกเขาเตียวฮุ่ก็มีความยินดีพอสั่งฐานทั้งปวยหุงข้าวกินแต่ดึกกาหนดที่จะรอบยกไปไม่ให้ขาดศึกทํ า, ทารู้ตัวและก็สั่งให้เอาขุ่มใายปากม้าถูกวัดอย่าให้มันร้องได้คือซึ่มไม่มีเสียงนะจะไปกันเนี่ย เดี๋ยวบวชตัวเราจะไปข้างหน้าทหารทั้งปวงเนี่ยจงตามไปข้างหลังแล้วก็จงเร่งระมัดระวังตัวอย่าได้ประมาทเดี๋ยวหุ่ฝังกำชับกำชากวดขันก็เอาทันทั้งปวงแล้ว mm. ก็บอกให้รู้กันทุกข่ายละ ว, ว่าเวลาสามยามเนี่ยจะยกป ข้าฝ่ายของเงียงนหนังเขานะ่ะเขาก็แต่งฐานปลอมไปฝึกกิจการทั้งตัวเหมือนกันเอ่อทางของเงีงนหนังที่ปลอมตัวออกไปฝืบเมื่อความทั้งตัวนะ่ะก็ปรับเข้ามาบอกแกงเงีงนหนังถึงความเนี่ยความที่เตียวหุีจะเข้าตีไข่ตามทางน้อยเนี่ยเงียงนหนังรู้ก็ยินดีทีเดียวดีใจละที่เตียวหุยจะยกเข้ามาทางน้อยเนี่ยก็จริงว่าเราจะยกฐานออกไป คอยตีตักสะเบียงแท่ได้แล้วจะตีโอร้อมเข้ามาจับเอาตัวเตียวหุยเงี่ยนนั้นก็การเกณฑทหารพร้อมแล้วก็อกยกออกจากเมืองแต่ในเวลากลางคืนเหมือนกันไปตั้งซุ่มคอยสกัดอยู่ครั้งเวลายามสามเตียวหุยค่อยทหารคนนึงแต่งตัวห่มเกาะใส่เสือ้อเหมือนเตียวหุยนี่แหละแล้วให้ขี่ม้าเดินไปก่อน มีแต่เขาว่าเป็นบุญบา ร, รมีของเ้าปีที่ทำให้เตียวหุยมีปัญญารู้คิดขึ้นเช่นนี้เตียวหุยทาอุบายแล้วนะอืมตเตียวหุยให้ทหารคนนึงแต่งตัวคมเกราะเหมือนตัวเนี่ยแล้วก็ใหขี่ม้าเดินไปก่อนตัวเตียวหุยนั้นโนตามไปข้างหลังข้างเงียนงันสุ่มทหารคอยอยู่เห็นเช่นนั้นก็คิดไว้คนขี่ม้ามาเมื่วงามาเนี่ยเนี่ยคือเตียวหุย เงนีนหงัก็สั่งฐานให้สงบบัสข้าเห็นร่วงก็มาไกลพอแล้วพอกองทัพเรือพวงยกมาถึงที่นิทันรู้ว่าเตียวหุยปลามาด้วยเยียรหงนันก็ฝันติดประทัดตีมาร่อสัญญายกฐานสองข้างออกตีปัดท้ายวุ่นวายขึ้นทีเดียวไในขณะนั้นเตียวหุยก็ถากมาเรีวไปข้างหลังเยียรหงา น, นอีกทีนึ่งรวบปนซ้อนปน ล้อมซ้อนล้อมกันละหวังนั้นจนอ่ะเงียนั้นจะร้อมเตียวหุยเตียวหุยแต่งตัวปลอมให้ทหารปลอมเป็นตนเงี้ยนั้นก็ล้อมเตียวหุยปลอมสิเตียวหุยตัยวจริงก็มาอยู่ข้างหลังเงี้ยนั้นร้อนตะวัขึ้นทีเดียวไอ้ฝัตตูเท่าทีนี้จะหนีกูที่ไหนพ้นเงี้ยนั้นได้ยินเสียงเหลียวหวังมาเห็นเตียวหุยก็ตกใจก็ขับมา้าเข้าฟูกับเตียวหุยได้สิ้นเพลง เงียนหนังได้ผีเอาเงาฟันเตียวหุยเตียวหุยหลบได้ทัาานฉากมาตลบเข้ามาเคียงข้างม้าเงียนหนังแล้วเตียวหุยก็เข้าฉวยจับตัวเงียงนหนังได้อกอดมัดฟันเงียงพลัดตกจากหลังม้าตะโลบไปทั้งคู่แหละทหารทัพวงของเตียวหุยก็กรู ก, กันเข้ามาจับตัวเงียนหนังมัดไว้ได้สําเร็จมีเตียวหุยสามารถจับตัวเงียงนหนังได้เลย ทาหารของเงยนนั้นก็แตกตื่นไปทีเดียวแต่บ้างก็เข้ามานอกม้นต่อเตียวหุยเป็นอันมากละเอทีนี้พ้นไปก็มานี้ทีนี้ไม่ท้นก็ยอมอ่อนน้อมเตียวหุยก็ยกทหารเข้าไปในเมืองปาสุ่นได้สําเร็จและเตียวหุยก็ดําเนินการได้ดีกําชับกำชาทหารทุนเปลืองเมื่อทำมันตรายแก่พ่ายบ้านพลเมืองนี่ทีจะเป็นหรือ ว, ว่าเตียวหุยได้มีโอกาส เรียกกันว่าคบค้าสมาคมใกล้ชิดกับปลาทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิดของเบงเ็นวิธีการต่านามาที่ขงเบงกระทำมาดดีอยู่กับเหล่าปีเหล่าปีมักจะมีเมตาตาแก่นาประชารัตสเดิลเข้าบ้านได้เมืองได้ได้ก่อนกำชับกำชาเหล่าทหารไม่ใหท้ทำร้ายทำอันตรายแก่นาประชารัตสเดิลเนื้อหุยก็เก็บเอาวิธีการนี้มาใช้และมีเอาทำอุบายเอาแล้วก็มีเมตตา ขณะนั้นทหารก็พาเอาตัวเงียนหนังเข้ามาให้เตียวหุยเงียนหนังเข้ามาอยู่ต่อหน้าเตียวหุยเตียวหุยเห็นเงียนหนังพูดเท่าไม่ได้คำนับตนตามประเพณีของผู้แพ้เนี่ยก็โกรธอบซันทีเดียวแล้วก็ร้องมาว่าตัวกูเป็นทหารเอกยกมาถึงนี่เหตุใดอ่ะจึงนี่ออกไปคำนับ กลับมาต่อสู้กูอีกเล่เตียวฮุยเขาห่าดื้อๆอย่างนี้ทำไมไม่ออกไปไปยอมแพ้เขาอะ่ะเงยนเงินก็โกรธเหมือนกันก็ร้องตอบว่าตัวมึงมเป็นคนหยาบชาหาความสัตย์ไม่ได้ยกทหารมาทาอันตรายบ้านเมืองให้อนาประชารัฐดอนได้ความเดือดร้อนกูจะคำนับมันหาต้องการไม่ถึงม้ตัมึงจะจักกูได้ก็ดี กูก็ไม่กลัวตายแมตสิสาจะขาดออกไปจากกายกูกูก็ไม่ขอคำนับมึงเลยมึงโกรธมากขึ้นมึงขึ้นกูกันเลยทีเดีย ว, วอยู่ดลๆกโกรธนะก็ฟังให้ฐานเอาตัวเงียงนหนังไปฆ่าเธอเลยเงียงนหนังก็จริงว่ามึงจะฆ่ากูก็ฆ่าเธอะแต่จะต้องโกรธวุ่นวายไปน่ะต้องการอันใดอือออกเงียนนั้นว่าก็ให้ยังเนี้ย จะฆ่าก็ฆ่าเลยนิ่งจะต้องกลดหุ่นวายไปต้องการอะไรโกรธไปทําไมเตียวหุยเห็นเงียบหนังนี่มีจิตใจมั่นคงไม่ได้ห่อท้อต่อความตายเลยอ่ะเตียวหุยเขกลับเป็นฝ่ายสงบความโกรธลงเสียได้เตียวหุยระ ง, งับโกรธได้ลงทีเดียวละ่ะก็ลงมาแก้มัดเงียบหนันออกแล้วก็ประยุงตัวเงียบหนังขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ แล้วเตียวอีเตวีเนี่ยก็คำนับเป็นเหมือนกันเตียวหุยก็คำนับพูดเท่าผููแพ้ะเทเลยตตนนี่แหละแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านพูดเท่าเป็นผู้มีอัธยาศัยประกอบด้วยสติปัญญามาแต่ก่อนและตัวข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยมิได้คระวะผู้ใหญ่มากล่าดถ้วยคําหยาบช้าประมาททางนี้ นี่ควรแก้ตัวเลยผิดนักหนาขอท่านได้อดโทษแก่ข้าพเจ้าเถิเดเตียวหุยเป็นฝ่ายขอรูการโทษทั้งปิตรมเป็นผู้ชนะแต่กระทาไม่ดีดีอย่างนี้เ ง, งียบเงันได้ฟังเนี่ยก็ให้คิดถึงคนของเตียวหุเป็นอันมากเหมือนกันละเอาก็ต่างคนก็ต่างโกรธแต่แล้วเขาพู้ชนะเขาพูดสั่งประหารตนได้แต่เขาก็ยังกล่าวขอลุ้กระโทษแก่ตนได้ ไว้ชีวิตแก่ตนด้วยชันนี้เงียบงนก็จึงพูดว่าแต่ก่อนมาเราได้ยินเขาเรื่องรือว่าตัวท่านนี้มีใจใหยากชาสามานนะไม่ได้รู้จักเด็กและผู้ใหญ่ถือแต่ฝีมือและกำลังเป็นประมาณแต่บัดนี้ได้เห็นท่านเป็นคนสุภาพรู้จักที่ผิดที่ชอบก็ขอบใจหนักหนา ถึงท่านเป็นเด็กก็จริงก็ควรที่เราจะคำมับนี่แล้วเนียมหนังผู้เท่าเจ้ามืองปาาหุนก็คำมับเตียวหุยโดยปกติด้ืนับถือว่าเตียวหุยมีคุณแก่ตัวเตียวหุยก็จริงคือตอนนี้เปวัาดีกันละเตียวหุยก็จริงถามว่าับเนี้ข้าพเจ้าจะยกเข้าไปเมืองลกเสียนั้นนะ่ะจะไปทางใด เงียบหนังก็ตอบว่าอันเมืองลกเสียเนี่ยเป็นเมืองสําคัญของเสฉวนและก็มีด่านทางในหลายตําบล น, นะซึ่งจะไปโดยสะดวกนั้นน่ะเห็นว่ายากขัดสนยิ่งนะแต่เทว่าบัดนี้ตัวท่านก็มีคุณแก่ข้าพเจ้าให้ทานชีวิตข้าพเจ้าไวข้าพเจ้าก็จะสนองคุณท่านใด้ถึงขนาด เพ่อจะไปเมืองลกเสียนั้นตัวข้าพเจ้านี่แหละแต่ขอยกฐานเป็นกองหน้าไปเองโดยว่าด่านทานทั้งปวงนั้นก็อยู่ในบังคับบัญชาของข้าพเจ้าสิ้นทุกตำบลเงียบหนันรับอาสาเป็นทัพมากพาเตียววิผ่านด่านผ่านทานทั้งปวงเข้าสู่โลกเสียเพื่อช่วยเหลือเราไปได้ยังนี้เตียววิก็ยินดีก็คํานับ แล้วพลาเงียงนงันยกฐานเป็นก่องหน้าตัวเองคุ้มฐานยกตามไปภายหลังครั้งเงียงนงั้นยกไปถึงตำบลใดคุณนางนายด่านทั้นปวงก็ออกมาทำนับยอมเข้าด้วยไม่ได้ขัดขวางทุกตำบลเตีย ว, วิยกไปครั้งนั้นก็เป็นการไปได้โดยสะดวกนักจากเมืองปาขุนไปแล้วเนี่ย กระบี่ก็ไม่ได้ถอดออกจากฝักเกาทันก็ไม่ได้ขึ้นสายเพราะได้เงียบงันเป็นพับหน้าพาไปฝาาป่าเร่บปีนี่ฉังมากล่าวทงางเลบปีบังล่ะไหมครับ ลายรอบปีจึงเอาหนังสือที่คงเบ้งให้กําหนดมานั้นออกปรึกษาด้วยฮองตงคือตอนนี้เราปีก็เหลือฮองตงกับอุยเอียนเท่านั้นเองสองคนทีนี้ขังอุยเอียนนะ่ะก็ต้องเรียกว่าเอาเป็นที่เชื่อถือปรึกษาหา ห, าหรืออะไรได้ด้วยยากละก็มีฮองตงเนี่ยฐานผู้เฒ่าวัยหกสิบเศษเนี่ยรอบปีก็ปรึกษากับฮองตงว่ะ คงเบ้งบอกมาว่าจะยกกองทัพมาช่วยเราแต่เดือนเก้าแรมห้าคำนบัดนี้มาใกล้ควรดูหนังสือนี่ก็ได้หลายวันจวนที่กองทัพจะควรยกมาถึงอยู่แล้วเราจะนิ่งอยู่ช น, นิมิี้ได้จำจะต้องคิดอ่านทำการยกทัพไปบรรจบกับกองทัพของเด้งนมือล็อลกเสีย ต, ตอนนี้ เราปีนะอยู่ณที่ด่านพวกสิก่วนจงก็จิว่าบัด น, นี้ทหารเตียวหญิมเห็นเราไม่ได้ออกรบพุ่งด้วยก็ได้ใจกำเริบนะั่กเราจึงแต่งฐานออกโจมตีปล้นข่ายเอาในเวลากลางคืนวันนี้เถอะเตียวหญิมเห็นว่าเรากลัวแล้วก็จะมีใจเรื่เร่ประมาทอยู่ก็นาทีจะแตดพ่ายเป็นมั่นคง แล้วจึงยกฐานไปบรรจบด้วยกองทัพของเบกฮองตงให้คำแนะนำอย่างนี้ราปีก็เห็นชอบด้วยกอสั่งให้กลาดเริ่มหานและภูให้พร้อมไวครั้นเวลาประมาณสองยามราปีเห็นสงัดได้ทีดีแล้วก็ยกฐานออกจากด่านเขาโจมตีปนข่ายเตียวหยิ้มเป็นสามด้านเดียกันให้ฐานจุดเพลิงขึ้น ข้างไฟปียยหยิ้มละฐานทั้งปวงน่ะก็จริงอย่างที่ฮองตงว่าแหละคือประมาทพอเห็นรอปีไม่ออกก็พุ่มเลยเลยไม่ทันรู้ตัวเลยนี่ถูกโจมปีกระห น, น่ำหนักเช่นนั้นเพินรุกเพลินแดงฉานชั่วทองฟ้าก็แปกตื่นเป็นโอลแมนไปเลยทีเดียวตะเิดออกจากค่ายในเวลากลางคืนนั้นน่ะจคุมกันไม่ได้เลยต่างคนต่างก็ตกใจพากนันหนีไป ตามทานไปเมืองลบเสียนั่นแหละเหล่าปีก็คุมฐานไล่ตามข้าฟันเกรนําฝ่ายทหารในเมืองลกเสียรว่วเตียวหยิมแตกมาก็ยกฐานออกรบพุงตานทานกับเหล่าปีรับเอาเตียวหยิมเข้าไปในเมืองได้เหล่าปีจะหักเข้าเอาเมืองก็มิดได้ก็จึงให้ฐานถอยมาตั้งค่ายอยู่ห่างไกลเมืองประมาณร้อยเซน อันว่าตอนนี้เราปีเตโตกลับเตียวหยิ้นต้องเข้าไปอยู่ในเมืองมัางในเมืองลกเสียอยู่มัาสอวันเราปีก็ยกฐานเข้า้อมเมืองลกเสียไว้เป็นสา ม, มาสตีเดียวข้างฝ่ายเตียวยิ้นก็ไม่ได้ยกฐานออกรบพุ่งเป็นแต่รักษามั่นวัดเราปีก็ยกฐานเข้าหัดทางด้านทิศตะวันออกให้ห้องตงกับวีเอียนสองตัวนายเนี่ย คุณหา น, าาา น, นออกต็ตีทางด้านทิศตะวันออกเราปีตีทางด้านทิศตะวันตกของตงอุยอินตีทางทิศตะวันออกเปิดไว้แต่ทางด้านเหนือกับด้านใต้หวังแค่คนหนีออกสองทางนี้เร่งระดมกาลังตีจะเข้าเมืองให้ได้เตียวหยินเตียวหยินหนึ่งถือได้ว่าเป็นขุนพลคนฉกาจฉกาจของเซย์วนทีเดียวผู้สามารถปลิดชีวิตบางทองได้น สา ม, มารถอยู่เตียวหญิ้มนิ่ขึ้นไปยืนดูบนเชิงเทินเห็นเหล่าปีขี่ม้าเที่ตวตรวจตราทหารอยู่แต่เวลาสามโมงเช้าจนกระทั่งบ่ายทหารทั้งเมืองก็อีกรวยลงเป็นอันมากเตียวหญิงเห็นได้ทีก็จึงให้ถามลงจากหน้าที่แล้วก็เกณฑ์เอาชาวเมืองขึ้นเชิงเทินรักษาหน้าที่แทนทหารแล้วก็ขนเอาศิลาขึ้นไปไว้ สำหรับปี่จะได้ช่วรบกับเหล่าสารเหล่าปีที่จะมาเป็นกาแพงนี่แหละตอนนี้เอาชาวเมืองขึ้นไปกระทำหน้าที่แทนทาหารเพื่อเจ้าทาหารออกไปรบกับเหล่าปีเตียวหญิมคุมทหารออกทางประตูด้านทิศใต้บกมาทางทิศตะวันตกเข้าตีทับเหล่าปีให้ลุยป้องงอหลันคุ้มฐานยกออกทางประตูทิศเหนืออ้อมไปรบกับอีเอียนและฮองตงทางด้านทิศตะวันออก คือจัเป็นสองกองเหมือนกันฝ่ายเ่ลาปีห้อยฐานเข้าหัดอยู่เช่นนั้นอก็ทำไม่ได้จนเย็นลงก็สารฐานถอยมาก็พอดีได้ยินเสียงประทัดจุดขึ้นเสียงมารออก้องกองอึงคนคันนึงทีเดียวคือเตียวหินยกหานเฉือนตีลงมาเนี่ยฐานเหลาปีก็ตกใจตื่นแตกรุนเป็นโกรมานข้างอีหงเห็นห้อเติงเห็นดังนั้น ก็ขับหานจะมาช่วยเราปีก็พอดีมีสอ ง, งอหลานคุณหลานยกออกสะกัดรบออกมาก็ติดอยู่มาไม่ได้ทหารทั้งสองฝ่ายแบ่งเป็นฝ่ายละสองรบพุ่งกันเป็นสา ม, มารถเรล่าปีเห็นทานล้มตายลงมากเหลือกำลังอยู่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเห็นจะเสียทีสู้ไม่ได้ก็ขับมาหนีเตียวหยินไปตามทางน้อยอันเป็นทางซอกเขา เตียวหยิมมันก็ขับมาตามกระทันชิดเข้าไปทีเดียวและขณะขณะที่เหล่าปีนี้เตียวหยิมผู้สามารถ ทหารบังทองได้เราปีนี้เตียวยิมขนาดนัน้นเตียวอีเต้หวีเตียวหวี ย, วหวยกทหารมาใก้จะถึงเมืองลกเสียเนี่ยมี่เห็นว่าเตียวหวีกระทาดีต่อปานหนงหันจึงสามารถนําทัพมาได้เร็วนี่เตียวหวีมาถึงพอดีเห็นผงคลีฟุงตลบหยุดข้างทางประมาณร้อยเส้นหมึกก็สําคัญว่ากองทัพเมืองเกงจิว๋ว คือกองทัพเหล่ า, าปีต้องเขารบพุ่งอยู่กับกองทัพเมียงโลกเสียคงเป็นเช่นนั้นแม่ละมันก็แน่นอนอะ่ะจะมีใครถ้าใครรบกันอนอกจากเนี้ยเตียวหุยก็ขับม้ารีบมาโดยเร็วทีเดียวเหล่าปีได้ยินเสียงอึ้งคนนึงมาข้างหน้าไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นเตียวหุยเหล่าปีก็คงเป็นหล่าปีคนเดิมคี่พอถึงที่อัปีิจนเขาก็เอามือตีอกหรือเอามือคลอม อ, อกตีอกแล้วก็ร้องทีเดียวว่า เทวดาเทวดามาแกล้งสังหารชีวิตขบเจ้าซิจริงแล้วในครั้งนี้ <c oughs> เราตีแย่เข้าแล้วโวยเลยว่าเทวดามาแกล้งสังหารชีวิตแต่พอพอแราไปทีเห็นเจ้าน้องชายร่วงสาบานหน้าดำขับมาขึ้นนาสานนั้นปวงมาถือทวนเนื้อนาอยู่ก็ดีใจก็ร้องว่าเตียวฮุยช่วยพีด้วย เตียวหุยน่ะเห็นเตียวหยิงขับม้าไล่ราปีกระชั้นเข้ามาเตียวหุยก็ขับม้าบาดทะวันขึ้นไปช่วยราปีขับม้าสกัดหน้าเตียวหญิมเลยทีเดียวแล้วก็เข้าสู้รบด้วยเตียวหญิมเป็นสามาะเตียวหุยเตียวหญิงรบกันได้สิเพลงก็พอดีเงียนหันเงียนหันผู้เท่าที่เตียวฮุยเอาชนะได้เนี่ย เงี่บนั้นขับม้ามาทันก็หนุนเตียวหุยขึ้นไปพันกันเข้าขัานเตียวยิงเห็นเช่นนั้นค่ายข่าสึดแกชู้ไม่ได้ก็ชักมาก้ากลับพวบหนีเดี๋ยนี้ก็ขับมา้าว่ายติดตามกข้ไปถึงชินกำแพงเตียวยินมัก็หนีเข้าเมืองได้ให้ปิดประตูเมืองแสีแล้วก็ฟันขันออกเกาพันระดมจิ้ออกมา เตียวหุยก็จำต้องชะมากกลับมาหารล่าปีเล่าปีก็มีความยินดียินนะพาเตียวหวีมายังค่ายเตียวหวีก็คำนับเล่าปีตามประเพณีแล้วก็พูดบกบักนี้อาจารย์ขลงเด่นยกกองทัพเรือมาทางแม่น้ำจิ้งตังแต่ยังมานี่ถึงข้าพเจ้ามาถึงก่อนก็กลับได้ความชอบขึ้นจานี้อีก เดี๋ยวหวยก็พูดยังนี้มาถึงก่อนก็ดีโอกาสได้ช่วยหรือปีได้ทันทีอ่ะร่ำปีก็ถามว่าอันทานที่เจ้ามาเนี่ยเป็นทานบกและก็เป็นซอกห้วยทานเขาป่าเดินทนชะดทานที่จะมาเนี่นทกก ว, ว, ทวทททกันบานยากยิ่งลำบากนะักแล้วก็มีบ่านทางหลายชั้นสลับซับซ้อนขับขันอยู่อะเหตุไงเดี๋ยวหวยตั้งแต่มาถึงได้ก่อนคงไม่ได้ เจวีก็จึงบอกว่าอันทาเนี่ยมีด่านถึงสี่สิบห้าตำบลอื mm hmm. เป็นทานที่เข้มข้นก็จริงแต่เพาะว่าท่านผู้เฒ่งงาเงียมหนังผู้นี้มีความพัฒนดีมาด้วยได้ช่วยว่ากล่าวอุ้นางทั้งปวงที่รักษาด่านทานทั้งหลายนั้นให้อ่อนน้อมยอมด้วยทุกตำบล น, นี้ได้ขัดแข็งยิงมาได้โดยสะดวก เปนความชอบของท่นผู้เฒาเงียงนหนังครั้งนี้หาที่สุดนิได้และเตียวฮุยก็เราเนื้อความติดต้นปีมือปาอุ้มโดยรบกับเงียนหนประการใดอย่างไรปาิทีโดรกับเงียงนหนะัง่ะและติดตัได้กิดทำกับเงียนหนอย่างไรนะเตีย ว, วก็เราให้เราไปฟังบททุกประการถึงเวลติดต้นได้เงียงนหนังมาได้ความสานิาพัฒน์เนี่ยเราปีได้ใกล้นี้ก็มีความยินดี ก็หันไปพูดกับยิ้หนังว่าครั้งนี้หากพระท่านพุทธเจ้ามีความเมตตาน้องขบะเจ้าได้อุสามาด้วยจึงไม่มีอันตรายถ้าหาไม่แล้วที่ไหนน้องขบะเจ้าจะมาถึงได้โดยสะดวกคุณท่านมีกับขบะเจ้าหาที่สุกนี้ได้เราปีกล่าวแค่นี้แล้วก็ถอดกรอบทองออกจากตัวมอบให้แก่ยินหนัน เป็นรางวัลตามความชอบซู่กัตวันยิงน่ะมีไปช่วยชีวิตเหล่าปีไว้นั่นเองแหละเราก็ถามฐามนะปูน ว, ว่าแบบ น, นี้ผูดด้ใดแจ้บงบังหวะมีเหรียญองเป็นสนายเนี่ยเป็นประการใดอย่างไรบ้างฐานะปูนก็ตอบว่าเมื่อท่านเสียทียกออกมาจากที่รบมันขบเจ้า e. เอ็นมออีหล่ากุ้ย คุบฐานยกหมุนออกมาจากเนืออลูกเสียอีกปีลกูกหลานวีเอียนห้องตรงไว้ได้รถพุ่งกันอยู่เป็นสามมากห้องตรงวีเอียนเหลือกำลังนักก็พากันหนีไปทางทิศตะ ว, วันออกทหารรายงานในสาบานี้อยู่ดิแกนจู้ว่าแก่ล่าปีวะจะนิ่งอยู่ดีได้จำจะต้องรีบยกไปช่วยขอยท่านยกไปทางขวาเข้าไปเจ้าแกยกไปทางซ้ายปีเกิดพกกันเข้ามา เรลาปีกโขชอบเลืก็ยกฐานอกจากใคยแยกกันไปคนละทางฝ่ายม อ, อีเหล่ากุ้ยสู้คุณฐานพวกหวังฮอตงตอีเห็นอยู่นั่นอ่ะได้ยินเสียงฐานเหาปีกับเปียวหุนโหร อ, อกระเริ่มันก็ตกใจรูว่กองทัพเหาปียกกระหนมามาชนิดึงจะอยู่นีดได้สูนี่ได้ก็พาฐานมาดมากามีเข้ามือเหล่าปีกับเปียวหุห่นรีบขับฐาน ให้เดินตามทางต่อไปไปงอหลังกัมีตอมีกสองคนไม่ทันรู้ว่าเราปีเตียวยยกมาข้าหลังเร่งถามไล่กระชั้นก็มาเพื่อจะจับตัวห้อตรมเหียนเนี่ยเครืตงตรงมีวเหียนถูกกระนาเป็นสองกองยวกันกองที่ันคืองอที่เหล่ากุ้อีกองนก็คือง อ, อหลังมีต๋อมออี่เหล่ก้หนีเข้ามือมแล้ว มอหลัีตไม่รู้่ังเวยจะจับหตนียดอะห้องตรอวนตัวก็ถัดมากลับมาพาฐานเข้ารบพ่งตานฐานเป็นสามาจ่ะก็พอดีเหาปีกับเตียวหิยยกมาทางก็ตีกระนาหลันมอหลังีตองเข้าไปมอหลังมีตองก็กลายเป็นตกอยู่ในรางกองทัพกระนาเห็นเหลือกำลังจะสู้มีได้ก็ลงจากหลังมา พาฐานบัฐวงศ์ก ร, รมาทำนักหอมอกม้องขอเป็นค่าอยู่กับเราตีคือยอมแพ้เราตีก็รับเอาไว้ทำการด้วยและก็ฝั่งฐานรัวงศ์ให้ตั้งค่ายประทิกร้านยิงนกเสียเข้าไว้ทานค้ามพิจตรวันอ่อกคือฝ่ายเตียวอยู่คุ้มทนใหญ่เสียชวนหวังนั้นเถอะ รู้ว่าเงาหลังกับบุญต๋องไปเข้าหนอกอมอมดีเราปีแล้วก็วเป็นทุกข์ใจทีเดียวก็ป ร, รึกษากันกับเงาะอีเรล่าอุ้ยหนีเข้าเมืองมาได้เนี่ยสองคนหนึงหนีเข้าเมืองได้อีกสองคนหนึ่งไปสวามิภักับเขาเลแล้วแล้วเหล่าชุนเป็นสามคนด้วยกันเนี่ยอือเกวยิมก็ป ร, รึกษาคนทั้งสามแบัดนี้เงาหลังกับบุยต๋องก็ไปเข้า กับเหล่าปีศาจหากสุด ก, ก็เข้ามาตั้งกระชิดตึงเชิงกำแพงจะนิ่งอยู่เฉยนิบงไดจำจะต้องไปมีหนังสูอไปถึงเหล่าเจียงขอกองทัพมาช่วยแล้วเราจะแต่งฐานออกปีอย่า ใ, ให้เราปีตั้งตัวปิดได้งูอีเหล่ากุ้ยเหล่าชุนก็เห็นชอบด้วยเตียวหยิงก็แต่งหนังสือและคนถือไปถึงเหล่าเจียง และกว่าดไปเล่าชุมว่าเวลาครุ่งนี้เราจะยกออกรบกับเล่าปีและจะทําเป็นเสือทีแปะเข้ามาทางข้างเชิงกำแพงด้านทิศเหนือให้งออีคุมฐานไปซุ่มสกัดทางอยู่เห็นฐานเล่าปีไล่ติดตามก็มเจามาก็จะออกสกัดปีทางเล่ปีไม่ทันรู้ตัวเนี่ยก็จะแตกไปเห็นจะได้ใช้ชนะโดยง่ายและตัวเล่าอีนั้น จึงอยู่รักษาเมืองกับพันเหล่าขวีเหล่าชุนอยู่รักษาเมืองช่วยกันตรวจตรากันชับตำชาฐานทะุนจะได้ประมาทมีเตียวยินมสังการเสร็จจักแจงเรียบร้อยรุ่งเช้าก็ยกฐานโหร้องออกมาจากเมืองเตียวขวีผู้มาใหม่กำลังสดใสเ ร, ริ่มล่าล เป็นเตียวหิ้มยกฐันออกมาจบตัวอีเตียวหิ้มก็ยกฐานออกจากท่ายไปเข้ารบปุ่มกับฐานเตียวหิ้เป็นสามะเตียวหิ้ขับมาเขาสู้ดิเตียวหิ้มดิสิบสองเพลงเตียวหิ้ก็ทาเป็นเสียทีชักมาหนีอ้อมเชิญกาแพงไปนี่ตามแผนเตียวหิ้ขับมาสะดกระโจนตามเรวยอกันมันหนักเดียวหม้ออีคงณทหานซุ่มอยู่ เห็นเตียวหิ้วไล่ลวงคือบัชนั้นนะกดยกฐานมาสกัดลังวัเดเตียวยิ้มเตียวยิ้มก็ให้ฐาน้องตนกลับมารบประทะเข้ามาที่เดียวจเจ้เตียวอีเตีหวหิ้วก็กลายเป็นเอาตัวเองเข้าไปตกยินในวงล้อมเขาขาดสุดก็ยินเกาพันระดมมาทั้งสองข้างเบียวหิอยู่ในระหว่างกลางทับกระนาไม่รู้จะทําประการใดก็ได้แต่เอาทวนนั่นแหละ ต้อรู้เก้าทันยุก็พอดีจุลงเดียวจูลงยุนยกทัพเรือมาถึงก็ข่มฐานขึ้นจากเรือมกเข้าช่วยเตียวหุได้ในทันทีโดยทีเดียวเข้าตีเน อ, อีก็ะทบหังก็ไปขา่าฟานทันเน อ, อีล้มตไยเป็นนันมากที่เหลือตายก็แ ก, ก, ก็จายกระจายไปเตียวหุยนับจูลงนั้นไปตามจากตัวเน อ, อีได้ เตียวหิ้ได้ปีก็ขับผันเข้าไร่ตะลุนบอลคาฟันผันเตียงหิ้แต่หนีเข้ามือเตียวหี้นั้นเห็นจุรุ่งมาช่วยเตนได้ทันทีทันี้อาก็ถามจุรุ่งว่าบัตเนี้ขอไม่อยู่ไหนรับจุรุ่งก็กินบอกว่าของเบ่งอ่ะมาถึงแล้วกําลังฝนพามาอยู่ได้เรายปีแต่ตัวข้าพเจา้านี้ยกมาช่วยท่านเตียวหี้กับจุรุ่ง ก็ถอยตีถอยสนธมากันด้วยความยินดีแล้วก็ชวนกันพาเอาตัวงอีกลับมายังค่ายก็เห็นขงเบ่งนั่นสนธมาอยู่กับเราปีเดียวหิ้ก็ข้ไปทำนัคขงเบิคนงเ่ิงก็ถามเตียวหิทีเดียวขงเบ่งเด็กแปลกใจมากกว่าคนอื่นเลยก็ถามเตียวหิว่าท่านทําอย่างไงอ่ะที่มาถึงได้ก่อนเรา คือมาทางบกนี่มันมันบากกว่าทั้งทางและด่านเมืองต่างๆนานาประการนเตียวฮุยก็เราเนี่ความผิดตนได้กทำการรบผุ่นมาจากป่นไหนฟังทุกประการน่ะคนเด้งก็จรินพอทราบความจาเตียวฮุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หันมาพูดกับเราปีว่าอันเตียวฮุยนี้แต่ก่อนก็มีใจลุทะรุไร้ากาดนะ่ะ มิจจนยับยั้งท่านคิดได้เลยแต่มาบัดนี้นับไฟในใจจะได้ทำให้พยศอันร้ายนั้นมาลายไปสู้เอาราชการเป็นประมาณได้ทั้งนี้ก็เพราะบุนของท่านมีหกหลงไาวอย่างนี้ว่าเป็นเป็นบุญของรอบปีเกี่ยวหัวจริงรู้คิอะไรึ้นมาได้ดีร้ายประการเด้อ ขณะนั้นจีน่งก็เอาตัวหมออี่เนี่ยเขาให้แกราบปีราบปีก็ถามหมอที่ว่าบัดนี้ท่านดีในเนืน้อมีอของเราจะนี้แล้วเนี่ยจะคำนับหรอจะคิดประการใดหมออี้ก็จัดตัวเข้าไปเจ้าท่านก็จับได้มาตกอยู่ในอำนาจท่านแล้วก็จะขอเป็นข้าท่านแลวหมออี้ก็คำนมบตามประเพนี เราปีเลยไปนั่นก็ลงมาแก้มัดให้แก่หมออี้ใช่ผมเองก็ถามหมออีอ้ทีเลยว่าผู้ใดรักษางมืลกเสียอยู่หมออี้ก็บอกว่าเล่าชุนผู้บึตของเล่าเกียงมาอยู่รักษาเมืและทหารนั้นก็มีเล่ากุ้ยกับเตียวหญิ่นเตียวหญิงน เ, เป็นฐานเอกในเมืองเสฉวนมีฝีมือนะ อีรายงานอย่างบี้เปลียวยิ้มไม่มีที่มือนมะั้งก็แน่นอนละเปลียวยิ้มไม่มีที่มือเปลียวยิ้มก็คงจะเอาชีวิตบางทอมิได้หรอกคงดึงได้แย่งโดยมันก็จริงคิดทีเดียวคงดึงเริ่มคิดทีเดียวว่าจะต้องทําการเอาตัวเปลียวยิ้มให้ได้ก่อนจึงจะเอาเมืองโลกเสียได้โดยสะดวก เรามาดูอะหลงสิพันทางานอย่างไรเถึงแม้ว่าแา่ต้นฉบับนี่จะมีข้อความเป็นส่นสั้นเนี่ยเราก็พอรู้พอเข้าใจกันออกไปได้เองอย่างกว้างขวางว่าหกหลงคงเบ้งไม่ใช่เป็นผู้รอตาแล้วก็รู้เอง มิใช่ไมครับไม่ใช่รับมาแล้วก็รู้เองว่าแตไม่กระจายไปทั้งหมดเมื่อไรไมิใช่หรอกเอาเป่งสอบถามความเป็นมาประการแล้วเนี่ยกลุชาวขนเป่ก็ขึ้นมาพาฐานไปดูผูมิประเทศท้งปวงดูที่ที่จะเข้าทำการเนี่ยอะไรล่ะที่จะเข้าทำการ ก็ดูภูมิประเทศทั้งสิ้นทา้งตัวนั้ น, นสิตรงไหนเป็นอย่งางไรประการใดชัยภูมิหมาะที่จะนำมาใก็ททำให้เกิดประโยชน์ในการสู้รบครั้งนี้เด็กทิงไหนอย่งางไรเนี่ยกไปไปถึงตรงประตูด้านตะวันออกเห็นป่าไม้อ่อแห่ง อ, อยู่ห่างจากสะพานกินงเงินเกียวโป้ไปประมาณ60สิเส้น การเจ็บสะพานไปสองกิโลเมตรเสรมีป่าไม้ออกแห่งก็ให้ของตรงวีเ้เอียนคุ้มทหากันไม่ละพันคุ้มทหารไปคนละหนึ่ันไปซุ่มอยู่สองข้างทางซ้ายขวาของป่าไม้ออกและแล้วก็สังเลยเลยว่าถ้าเตียวหินยกออกมาเนี่ยให้กรนหนาบแล้วก็ให้เตียวหียคุ้มทหารกองนึงไปจัดอยู่ปลายทาง แล้วค่้ยจูลงล่องขุนหมันกองหนึงไปตุ้มอยู่ข้างทิศเหนือนี่จะตัดเื่อเตียวยิมออกแากบัญชีคนให้ได้นี้ฮกหลงต้องใช้สีทหารเสือที่ตัวมีอยู่ทั้งสีคนนี้กระทำงานนี้ยังเข้มแข็งเลยทีเดียวก็ทั้งหองปงวีเอียนจูน ล, ลงเตียวหิ้มีแหละ เบึงสั่งว่าถ้าแม้นเราล่อเตียวหญินให้ยกฐานไล่เนื้พ้นสะพานออกมาได้แล้วคอยจเร่งยกฐานสกัะฐานเขไว้แล้วก็รื้อสะพานสเลยไม่ต้องวนปับกันแล้วคือว่ายังให้เตียวหญินถอยหลังปรับข้ามเรียงได้นี่ผบึงวางแผนการดันและให้เหล่าปี กับเนียมหนังทหานเผ่าอีกคนนึงที่เตียวหุ่นดายมาเนี่ยเอาข้อมือแอบอููสองฝ้าสะพานอัานาพ้นต้นสะพานมาประมาณสัก20สิเส้นคนได้จัดแจงเสร็จแล้วตกขื้นเกวียนน้อยแต่งตัวซมซอกมีเขาระบุบยใยเห็นชัดเลยคงหลงทำอุาบายอย่างนี้ให้เห็นว่าไม่เป็นท่าไรเลยอ่ะ คือนเปียนน้อยแต่ตัวซำศอกพาฐานประมาณสามสิบหกคนเอาตัวเองนี่แหละเป็นเหยื่อล่อเตียวญิ้มเลยทีเดียวที่เราเความกล้าหาญของขนบึ้งไม่ใช่ทําการแบบตัวเองไม่กล้าทําอะไรเลยใช่แต่ทุกอื่นทุกครั้งทุกคราวไม่ใช่หรอกผมเองเอาตัวเองนี่แหละเป็นเหยื่อล่อเตียวญิงเพื่อให้เตียวญิงออกมาได้จนได้ เยหิเห็นคงเบ่งออกมาในลักษณะนั้นทหารยี่สิคนมันเป็นลักษณะของการยกเยกเหยียดย้มกัน้ยวยเกินแค่ไหก็โกรธจักแจงทหารออกไปรบทีเดียวขณะเมื่อเตียวหญิงมีหนังสือไปถึงเหล่าเตียงขอกองทัพมาช่วยเหล่าเกียงเนี่ยเหล่าเกียงเจ่เาเมือเสยชวน ไม่แต่งให้โตเองคุณานยกมายมืงเมืองลกเสียงเตียวหยิ่นก็ให้เตียวเอกวยรักษาเมืองแล้วค่อยโตเองผู้มาชนพบใหม่เนี่ยคุณผานเป็นกองหลังออกมาจากหมืองครั้นแล้วขงวยขี่เกวีย น, น้อยแต่งตัวซอมซ้อจะด้วยคุณผานประมาณส0สิคนเดินล้อมเกวียนมาเทานั้นเดียวยิก็ชี้มือแล้วก็บอกแกทหารว่า ผมเบ่งคนนี้ได้ยินเขาเล่าว่าววมีสติปัญญาความคิดรูปแต่งตนสึกล่อรวมเป็นหลายประการบบบนี้เราหนึงทำการเข้ามาดังนี้มันอมีคนหาปัญญาไม่มิสมกับํำเล่าลูอก็เลยจะตัวอะไรกับผมเบ่งเดียวหญิงประมาทในฆ่าสึกความคิดที่มีเกิดขึ้นกับผู้ใ ด, ดเนี่ย มันพ่ายแพ้ไปขึ้นเลยทีเดียวเูี้ยหินมีความคิดชเนีย้ยและเตยงินมันหวานนั้นแล้วก็เ อ, อาคันทวนโบเป็นนารสนทนานถังให้รูกเข้าไปจับตัวขเ น, นเบงขเ่งเห็นเตียงินลมาก็ทาเป็นตัวที้งกวนแค่ขึ้นมาทาเป็นรรานพาน า, น า, น า, นานน้นีหนีข้ามสะพานมาละมีรนรานหวาดกลัวหวนว เจ้าหินเห็นด้ฉนันก็ขับตามเร่ติดตามไปทีเดียวจื่องคุณหานซุ่งอยู่ที่หัวสะพานเนี่ยเผลเจ้หินหไล่ร่วงพ้นเลยสะพานไปแล้วจู่ลงต้นหนำกำมาหานออกมารุ่งสะพานทึงเลยไม่ต้องกลับเข้าเมืองแล้วฝายเหล้าปีกับเนียมเหมันฐานที่เท่าก็คุณหันแอบดีขึ้นก็ยกตีเกินหนาบมาทั้งสองฝ่ายทางเลย เดี่ยวหญิงก็เห็นก็ตกใจทีเดียวะ่ะว่าบัตรนี้เราโดนโองบายโอนได้เขาแล้วอือก็อยู่รู้ว่าอนได้แต่งโกนเมืองเข้าฉันแล้วนี่ก็จะเหัวกลับจะพาฐานกลับเข้าเมืองพอกลับมาถึงสะพานที่จะข้ามสะพานก็มิได้จู่นกหนูสะพานทิ้งทั้หมดแล้วทหารก็มาคับข้างอยู่ตรงนั้นจู่ลงว่ายฐานไปนี้ออกมาทีเดียว เตียวหยินก็แลกอุณฐานร่นขึ้นไปตามทางข้างทิ่ใต้ก็ไปถึงที่ที่หอมตรงกับอีเอียนส ก, กัดอยู่หอมโปงีเอียนกดยกฐานออกระดมเป็นทั้งสองฝ่ายฐานข้าฟันฐานเตียวหิมแห่งมืองเสฉวนล้มตายเป็นอันมากเตียวหยิมเองเหลือกำลังนักสู้นี้ได้แล้วก็พาฐานที่เหลือตาประมาณสาสิคนขับมารีบมีขึ้นไป ก็ไปพบเตียวหิสกัดอยู่ปลายทางเตียวหิคนตนั้นมายินขวานหน้าไว้แล้วก็ร้องกระวาดมีวเสียงอันดังทีเดียวเตียวหิกระวาดด้่เสียงที่ตนเคยกระหวาดมาถึงกับถอยหลังสุดมาแล้วนี่แหละทหารเตียวหิมดูยินเสียงเตียวหิบังสนั่่านฟ้าตกใจแตกกระจายไปสิเตียวหิรางเข้าร้อ เตียวหญิงก็ไวและในที่สุดก็สามารถจับตัวเตียวหญิงได้ทั้งฝ่ายตัวเองฐานมือฉววนที่มาสมทบใหม่โอ้เตียวหุยจับตัวเตียวหญิงได้แล้วนะตัวเองจะรบพุ่งกับสุทธิมีฐานต้องเล่าปี้ได้ตัวเองก็เลยเข้าไปทำนักจูโล่งนึ่งจูโล่งเตียวหุยหมยทับนายกองทั้งปวงเมื่อเด็กชายชนะแล้ว พกหลวนวางแผนไว้เป็นขั้นขั้นขั้นนี้เอาตัวเตียวหยิมได้ได้ตัวเตียวหยิมแล้วสำเร็จแล้วในใจชนะแล้วก็กลับมาค่ายขันจูหลวงก็เอาตัวโตวเองเข้าไปมอบให้แกเรล่าปีเรล่าปีคนนีไ้ได้เอาโทษแกโตเองกลับไปบเพ็จพระอีกและขณะนั้นเตียวหยิก็พาเอาตัวเตียวหยิมเข้ามาเล่าปีก็จรงว่า บรรดาฐานิมิตรเสฉวนนี้ก็ยอมตัวอันมากมาเข้านบมอบคํามับเราสิ่งก็ยังแต่ท่านผู้เดียวนี้เป็นขนาดยิงมีใจเกินบ้าขัดแข็งนะหรือ ม, มาอ่อนน้อมต่อเรานั้นนะ่ะคลิกประการใดเดียวหยินเด็กฟังรอบปีถามแังนั้นก็โกรกนี่เด็กกลัวแต่ควานตายซึ่งก็ย่อมเป็นการถูกต้องอยู่ละ ก็เตียวหยิ่นไั้นหนึ่งเฟชชวนนะ่ะก็ต้องกระทำทุกสิงทุกประการทุกเฟชชวนของตนเราปีก็ท้อรับลักษณะผู้บุกครุ่มาชนจะกลัวเกงเงินกันไรล่ะถูกจับก็ถูกจับจะต้องถูกฆ่าตายก็ถือเป็นธรรมดาเตหิ่นก็ร้องประวัตทีเดี ย, ย, ดดยตัวเราเป็นชายข้าทาสก็จะกลัวอันตรายจะกลับไปนกนอกเขา้าโดยเตียวหยิ่นเพียงแต่จะหวังรักษาชีวิตนั้น ก็นิคควรแก่คนที่ซื่อต่อเจ้าอันเป็นชายข่าทหารและจะต้องมีเจ้าเป็นสองนั้นนิต้องประเทณงธรรมดาสตรีที่มีมีมรรยาตก็ยังนีอาจมีหัวเป็นสองแม้ท่านจะคืนให้เรานนหมนอกันขันิได้ก็จะทธรรมะแต่ว่าเรามิได้พานดีต่อท่านิวหยิ่ก็ตอบเป็นเด็กเดียวเช่นนี้ และตัวยังดาว่าเราปีเป็นข่อยากช้าอีกร้เกิดการผมเม่ดเด็กฟานั้นก็โกรธก็สั่งให้ฐานเอาตัวเตียวหญิงไปประหารเสีย ชีวิตไแต่แล้วถจะว่ากันถึงความจริงแล้วเนี่ยถ้าฝนฝักสีของเขาะแล้วเล่าปีนั้นนะ่ะก็เห็นว่าเตียวหญิงเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์สุดจะริบบเจ้าตอนนายมีความจงรับพัก ด, ดีต่อบ้านเกิดมึงนอนของตนอย่างเนี้ยเล่าปีเองเนะี่ยก็ใม้มีใจเองดูก็ที่ไม่เอาศพเตียวหญิงไปฝังไว้มาที่ปมสะพาน กินงานเกลียวโป้และให้จารอักษรฝ่ายฉลาดไว้ว่าเตียวหญิงเป็นคนซื้อตรงมีหวังใจ่คนรู้ตัวเอายิ่งอย่างต่อไปในภายหน้าอันนี้ก็ต้องกล่าวว่าคือการประหารกันแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องออกส่งทิ้งไปไรไปอนาจารแต่แตนนาประการเป็นประเพณีอย่างนึงที่กระทำกัน ยิ l งสหาหัสหกันละแต่ถ้าเด็กกลับอสสมาจากการวันจากการทาให้ถูกต้องตามพ ม, มีนเป็น ด, ดนีถือว่าเป็นการลเกียรได้รับเกียรเป็นอย่างยิง่งยังไงก็ตามเตียหิมถึงจะถูกปรหารูกค่าแต่ก็ได้รับเกียรติศพของนได้รับการยกย่องชาวันท้งราปีก้ยเย็นหนัน มหังและนอี้ทหารมือเสฉวนที่ถูกจับบ้านแล้วก็มาสาไม่พักด้วยนและบรรดาทหารมืออเสฉวนที่เข้ามาก่อนน้อมทั้งหมดเนี่ยมืหนันี่ก็ตํางับเป็นคนในเขตแคว้นแดนเสฉวนเขาเหมือนกันคือรอบปีเห้ตัวมายของเสฉวนและผ่ายคนเสฉวนทั้ปวงเนี่ยเป็นกองหน้ายกเข้าเบลยกเสีย ทหารทั้งปลมาถึงใกล้เจิงกำแพงก็ร้องเรียกเหล่าชุมเหล่ากุ้ยว่าการจวนตัวถึงเพียงนี้แล้วอยา่าขาดแข็งอยู่เลยเร่งเปิดประตูออกมาทำมักเร่ า, า ป, รออปีก็โดยดีเถิดถึงจะมาณ์อยู่เปิดจะรับสามเรียงวันนี้ได้อย่าให้ในความเดือดร้อนแต่อาณาประชาราษดรทั้งสวงเลยานี่ทหารน้าไปร้องเรีนนี้แล้วก็เป็นทหาร ทั้งไกรถละตัวนายของบึงเสกชวนด้วยนะ่ะเราคุยยีนอยู่บนกำแพงได้ยินเสียงผ่านร้องตะโกได้เปิดประๆๆตูบุ้งแค่นั้นเนี่ย้ออกไปอ่อนน้อมยอมฟงานนี้ก็โรกรธก็ร้องปลอมาเป็นคำหยาบใชะไห่ได้อ่อนน้อมเนียนหนังนั้นเห็นเราคุยเกิดทำแค่นั้นนี่มีใจโอหังนะักกจับทวนแะพุ่งขึ้นไปก็พอดีเปียวเอ็ก เดียวเอ็านเมือสียชวนเองนั่นแหละที่อยู่ในเมืองลกเสียนั่นแหละเดียวเอ็ดนะักซีฟ้าเหลาอุยโยลงมาให้แล้วก็เปิดประตูเ ม, มืองออกรับเมืองนั้นก็มีความยินดีก็พาฐานทั้งปวนเข้าไปในเมืองลกเสียได้สำเร็จฝ่ายเล่าชุน ท่านเราเกียงเห็ถามเ่าปี่ครูเข้ามือได้เ่อนนั้นก็เปิดประตูมือหน้าที่ตะวัน อ, ออกแล้วก็คุ้พันหนีกลับไปเมืองเสฉวนครั้งเราปี่เข้ามือได้แล้วก็ถามว่าผู้ใดที่มีความสามิพัสต่อเราตัดสินสาเล่าอุ้ยจะได้นั้นมือห น, น, น, นั้นก็บอกว่าเดียเอ็กเดียเอ็กคนนี้ ที่มาทำนับท่านอยู่นั บ, บนี้เป็นผู้ทีดกันิีรษะเรานิโยโอนมาจาัดเจริญกำแพงเราปีก้อยปู ม, มาเมตระวังให้แกติวเองเป็นอันมากต า, ามธรรมเนียมแล้วก็จัดแจงชาวบ้านชาวมืองใอยู่เป็นปกติสุกออกคำสั่งกำจับกำชาวาเราทาน้วงม่ให้กลมิอกันเองไร้ทำมันตรายแกผูน่ผู้ใดในมือเป็นอันขาดผลเบื้อ้นก็จริงว่าบัดนี้มีลรเสีย ก็ได้แก่เราแล้วอันเนื่อเสีวนนั้นก็เหมือนในกรรมมือจะยกเข้าไปเมื่อใดก็แต่ได้แต่เพราะว่านุ่นเงินเปียวมีรับคำขอให้เปียวเอกงอตีสองคนนี้พาตัวเองคุณมานยกไปเที่ยวป่าปามนุ่นเงเป็นกันให้เงียบนังกับโัเองมีกับสอนหานของเสียชวนเหมือนกัน เตีวฮุัคุณทหารไปกจัดหวัวเงินเต็กยงถึงยังขาดแขงอยู่นั้นไอราบข่าเป็นปกนติและจัดแกงตั้งแต่งคุณนาอยู่รักษาเงนตามภูมิรำเมาเสร็จแล้วนี่ให้ยกกองทัพมาพร้อมกันนะเงินเสชวนคนบินสั่งการดังนี้มายทัพนกองตั้งปวงก็คำมะปรับคำสั่งของิแต่ต่างคนต่างก็คุมทหารแยย้ายกันไป คนบ่นั้นก็ถามชาวบึงเสฉวนว่าเราจะยกเข้าไปมดูเสฉวนบักเนี่ยยังมีด่านทางขับขามอีกสักกี่ตำบลชาวเมืองก็บอกว่ายังมีด่านกิมโก๊ะเป็นด่านใหญ่อยู่ตำบลหนึง่งและด่านกิมโ ก, ก๊ะนี้ก็มีฐานพักพร้อมเข็มแข็ง น, นะและถ้าได้ด่านกิมโก๊ะนี้แล้วก็จะไม่มีที่ได้ขัดขวานได้ อาจจะยกก็้าไปอาเงิเฉลยชวนได้ดไเดงง่ายผมบิ่งไปแข่งนั้นก็จัดแกงทางยกไปัดวดเกงก็จริงว่าซึ่งท่านจะยกเข้าเืองเฉยชวนหนึ่งเข้าไเจรอาณาประชารัฐดอทั้งดวงจะได้ความเดือดร้อนนะมีอวดเก่งปรเพฤติว่าเป็นคนของเสลยชวนแต่ที่วิจัยพรรดีต่อเราปีว่าอย่างนี้ รวมกับเดืยวสมแต่แรกมาแล้วเนี่ยที่จะจัดการยกเสฉวนให้เราปีเนี่ยมีอดเก่งไู้้นองนี้ว่าท่ะยกเป็นูเสฉวนนี่ข้าพเจว่าอาระชรตอนต้งีแรความเดอร้อนนะขอใหมดกองทัพไว้ก่อนเถิดเงินมกเสียเนี่ยก็ได้แก่เราแล้วมูลเสฉวนจะไปไหนเสียก็เหมือนเด็กดำมืข้าพเจ้าจะมีหนังสือไปถึงลาวเกียงฉับักน่ ให้มาอ่อนนอนตามประเพณีเดี๋ยเราเกียงเรื่องเมืองลกเสียอันสำคัญนี้เสียใจเราแล้วก็จะยอมคำนับแม้จะขัดแข่งอยู่ประการใบเราจึงค่อยโยกทหารไปปีต่อภายหวังโกได้ผมไม่อได้ฟังเช่นนี้ก็รู้ชอบด้วยคือไม่ต้องบดทับไปให้อีเบื้องภายเพล่ละก็จึงได้ลดกองทับไว้ก่อนแล้วไปหัวจิง มีหนังือเข้าไปแกง